จเจริญพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวันเพื่อมา บางแผ่นมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระนรรมศาสด า, าที่ทรงสอนไว้ในก่อนที่จ ะ, สะเสด็จจากไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตอนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท นี่เป็นพระดำรัดของพระพุทธเจ้าเป็นพระปัชชิมโอวา่าเป็นคำพูดครั้งสุดท้ายที่ทรงสรุปให้พวกเรานั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะสังขารร่างกายของพวกเรานั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราทำประโยชน์ได้มากแต่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เวลาตายไปแล้วดวงใจดวงจิตออกจากร่างก็ต้องไปรับผลบุญผลกรรมที่ได้ทำไว้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นเวลาที่เราสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะสร้างบาปสร้างกรรมก็ได้ถ้าเราไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงยำรัดทรงสั่งสอนไว้เรามักจะทําตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทํากันทรงสอนให้เราทําประโยชน์ ของตนและของผู้อื่นเราก็มักจะทำโทษให้กับตัวเราและกับผู้อื่นเพราะใจของเรานั้นถูกความคิดฝ่ายต่ำคือความโลภความโกรธความหลครอบงำจิตใจที่จะชักจูงใจให้คิดไปในทางที่ไม่ดี คิดไปในทางที่จะสร้างความเสียหายให้กับตนและผู้อื่นดังนั้นเราจึงควรที่จะรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่งอย่างสม่ำเสมอว่าเราต้องทำประโยชน์ของเราและของผู้อื่นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป ประโยชน์ของเราก็คือการทำจิตใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายให้ได้ดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทำกันมาแล้วคือการชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจนีเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะใจเป็นนายกายและวาจาเป็นบ่าวนายสั่งให้บ่าวทำอะไรบ่าวก็จะทำตามคำสั่งของของนายถ้านายสั่งให้ทำดีบ่าวก็จะคิดบ่าวก็จะพูดดีทำดี ถ้านายสั่งให้ทำชั่วบ่าก็จะพูดชั่วทำชั่วดังนั้นตัวสำคัญที่สุดอยู่ที่ใจนี้เองที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาให้คิดที่คิดในสิ่งที่ดีเพื่อจะได้สั่งไปที่กายและวาจาเช่น ส, สอนให้ ทำบุญให้ทานนี่ก็เป็นการกระทำที่ดีที่เป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจชนะความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้กับใจได้และทรงสอนให้ มีศีลเพื่อที่จะได้ป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาที่ผิดศีล น, นี้เข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็สงสอนให้ภาวนาให้ทำจิตใจให้สะอาดให้ตัดความโลภความโกรธความหลงการภาวนานี้ก็มีอยู่สองขั้นด้วยกัน ขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นการภาวนาที่สนับสนุนให้จิตใจได้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพื่อความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป คือปรมาสุขขังบารมีสุขเป็นความสุขที่ไม่เสือ่อมไม่สลายไม่หมดไปเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่นี่คืองานที่เราควรจะทําเพราะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเพราะหลังจากที่เราได้ชำระใจของเรา ได้สะอาด ห, หมดจดแล้วเราก็จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้ชำระใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อไปได้ถ้าใจของเรายังไม่สะอาดบริสุทธิ์เราจะไปสอนให้คนอื่นเขาทำใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ดังนั้นในเบื้องต้นต้องทำใจของเราก่อนชำระใจของเราก่อนอย่าไปกลัวคำคารหานินทาที่ว่าเราเห็นแก่ตัวพวกอออกบวชพวกปฏิบัติธรรมนี้นักจะถูกชาวบ้านเขาว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีการคบค้าสมาคมกับใครแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นการ ทำเพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้เป็นการทำตลอดชีวิตอ ย, อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงออกบาเพ็ญเพียงหกปีเท่านั้นเองตอนที่เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อทรงผนวชแล้วก็บาเพ็ญเพียงอยู่หปีจนได้ตัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บรรลุเป็น พระอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้ามีพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงปราศ จ, จากความอยากต่างๆที่เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้อุทิศเวลาที่เหลือของพระองค์ตลอด45ปีด้วยกันทำหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ห้ากิจด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจห้าคือในตอนบ่ายจะทรงสั่งสอนอบรมญาติโยมที่มีศรัทธาในตอนค่ำจะอบรมสั่งสอน พระภิกษุสมมเณีในตอนเด็กจะอบรมสั่งสอนและตอบปัญหาให้แก่เทวดาทั้งหลายและในตอนใกล้รุ่งตอนก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาจะทรงเล็งยางดูว่าจะควรไปโปรดผู้ใดในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ทรงเสด็จออก บินทบาทโปกรดสักนี่คือกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทมตลอด45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยถ่ายเดียวพระองค์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการกระทาเหล่านี้เลยในด้านของจิตใจของพระองค์ เพราะจิตใจของพ่อองค์นั้นได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วถ้าเป็นน้ำก็น้าที่เต็มด้วยแก้วแก้วที่เต็มด้วยน้ำแล้วเทน้ำเข้าไปอีกทักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะมันก็จะไหลทิ้งไปฉันใดจิตใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญ สมถะวิปัสนาภาวนาจนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตก็เต็มไปด้วยประโยชน์อันสูงสุดก็คือปรมมงสุขขังความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขตลอดอนันตการจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรให้แก่เอา อ, อ, อีกแล้ว ในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงมีความท้อพระไทยตอนที่ได้ตัดสรุใหม่ๆทรงพิจารณาเห็นว่าการที่จะสอนให้ผู้อื่นชำระใจของเขาให้สะอาด้อยสุดนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับสามโลกทั่วๆไปเพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเสียจนไม่สามารถ จะต่อต้านกับความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ได้เลยสอนให้เขาให้ทานก็ยากเพราะเขามีความหวงมีความตนีมีความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆสอนให้เขารักษาสินก็ยากเพราะเขาชอบทำอะไรตามอําเภอใจ ตามอารมณ์ของเขาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกไปในทางเบียดเบีย น, รยนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสอนให้เขาตัดความสุขทางโลกทางรูปเสียงกลิ่นโรสโผฏฐพะก็เป็นสิ่งที่แสนจะยากเย็นเพราะเขายังรับรูปเสียงกลิ่นโรสโผฏฐพะยังชอบดูนั่นฟังนี่ดื่มนั่นรับประทาน อาหารชนิดนั้นชนิดนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากเวลาหลับเท่านั้นที่จะไม่ได้เสดความสุขแบบนี้พอจะสอนให้เขาเลิกหาความสุขแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจึงมีความท้อทายในเบื้องต้นหลังจากที่ทรงตัดสรุปใหม่ๆ ไม่มีความปรารถนาไม่มีความยินดีที่จะนำเอาสิ่งที่ก็องค์ได้ทรงตัดสรุมาเผยแผ่ให้แก่สัตวโลกแต่หลังจากนั้นก็ได้มีเวลาวิเคราะห์ดูก็ทรงเห็นว่าสัตโลกนั้นก็มีความรู้ความสามารถ มีบุญมีกรรมไม่เท่ากันทรงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนกับบัวสี่เหล่าด้วยกันคือบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วเพียงได้รับแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ก็จะบางและบัวที่อยู่ใต้น้ำที่จะโผล่ขึ้นเหนือน้ำในวันถักมาและบัวที่อยู่กลางน้ำ ที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันด้วยกันกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ณนบัวที่ยังอยู่กับพื้นดินอยู่อยู่ใต้น้ำอยู่กับดินที่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเมื่อทรงพิจารณาอย่างนี้ก็ทรงเห็นว่ายังมี สัตว์โลกที่มีบุญมีบรารมีพอที่จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติได้พวกที่มีบุญบรารมีมากนี่ก็ไม่ต้องใช้เวลามากเพียงสามสอนครั้งสองครั้งเขาก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุประโยชน์บรรลุผลที่ พระ อ, องค์ทรงได้บรรลุถึงได้ส่วนพวกที่สองก็ต้องใช้เวลาสั่งสอนยาวหน่อยอาจจะเป็นเดือนเป็นปีกว่าที่เขาจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุผลได้ส่วนพวกที่สามนี้ก็คงจะต้องสอนไปไเรื่อยๆและเพื่อจะ สะสมไว้เป็นบุญบรารมีเพื่อเวลาที่ตายไปแล้วจะได้มีบุญบรารมีนี้ติดตัวไปพอที่จะทำให้เขาสามารถบำเพ็ญบุญบรารมีต่อไปได้จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเขาก็จะสามารถ บรรลุถึงธรรมที่พระ อ, องค์ได้ทรงบรรุเห็นได้เมื่อทรงได้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทรงเกิดพอพระทยที่จะประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกจึงอุทิศเวลา45ปีด้วยกันทําหน้าที่พุทธกิจห้าอยู่อย่างสม่าเสมอทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาที่ทรงอภาเาเท่านั้น ที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ทรงสั่งสอนาโลกให้ไดุ้ดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจำนวนมากบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกมีเป็นจำนวนมากและเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นจำนวนมากเหล่านี้ล้วนเกิดจากการ เห็นแก่ตัวก่อนในเบื้องต้นคือต้องปฏิบัติตนก่อนต้องชำระใจของตนก่อนตอนนั้นไม่ควรไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องไปห่หงใครให้สงสารตัวเราเองก่อนให้รักษาตัวเราเองให้หายจากโรค ก, ก่อนเมื่อเรารักษาตัวเราหายจากโรคแล้วเราค่อยไปช่วยรักษาโรคให้แก่คนอื่นไม่ฉะนั้น ถ้าเรายังไม่หายจากโรคแล้วเรามัวไปช่วยรักษาคนอื่นเราอาจจะตายก่อนที่จะรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้และคงจะไม่มีทางรักษาให้เขาหายได้ถ้าเรายังไม่สามารถรักษาโรคของเราได้แล้วเราจะรักษาโรคของคนอื่นได้อย่างไรดังนั้นอย่าไปกลัวคำขาวล่าหนินทาของ บุคคลที่เขาจะกล่าวหาว่าเราเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับไปศึกษาต่อในต่างประเทศเวลาเราไปศึกษาต่อในต่างประเทศไม่เห็นมีใครว่าเราเห็นแก่ตัวเลยเราไปทำปริญญาโทรปริญญาเอกในต่างประเทศก็มีคนเขาอนุโมทนากันท่านั้น แต่พอเราไปทำปริญญาเอกในทางศาสนาพุทธทำไมกับมีคนดา่ามีคนว่ากรหารนินทาเพราะใจของเขาลั้นต่อต้านกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองใจของเขามีกิเลสกิเลสนี้จะไม่ชอบให้คนไปปฏิบัติธรรมเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่ง กิเลสของเขาก็จะต้องถูกกจาจัดไปในที่สุดนั่นเองดังนั้นกิเลสจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางไม่ให้มีการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าใจของผู้ที่ไม่มีกิเลสนั้นทราบว่าผู้นั้นจะออกไปปฏิบัติธรรมจะได้รับแต่การอนุโมทนาส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่เลย เาใจของผู้ที่ไม่มีกิเลนนั้นรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจยิ่งกว่าความโลภความโกรธความหนืยิ่งกว่าความอยากทั้งหลายมีการปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นแหละที่จะช่วยใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่สันโนกทั้งหลายต้องประสบกัน ความทุกข์ต่างๆมีอะไรมากก็ความความกังวลความหวาดกลัวความเสียใจความเศร้าโศกความอะไรอววรความฟุ้งซ่านจนกลายเป็นคนเสียสติไปหลังนี้ล้วนเกิดจากความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นเกิดจากกิเลสตัณหาแต่ สัตว์โลกจะไม่รู้ว่าตนเองนั้นเป็นเหยื่อหรือเป็นทาสของกิเลสตันหาเลยกับบูชากิเลสตันหาเป็นเหมือนพระเจ้าเวลากิเลสสั่งให้โลกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะรับคำสั่งทำตามอย่างขำำมักขมแมโดยที่ไม่รู้เลยว่าตนเองจะ ลายเป็นเหยื่อไปเหมือนกับปลาที่ไปคุกเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดฉันใดสิ่งต่างๆที่กิเลสสั่งให้ใจของสัตว์โลกไปสแสวงหาไม่ว่าจะเป็นรากยศเสริญหรือสุขทางตาหูจมูกลื่นกายล้วนเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดทั้งนั้น ที่จะทำให้สัพโนกที่ไปหุบเหยื่อนี้ต้องติดอยู่กับการเรียนว่าตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างที่สัพโนกทั้งหลายเป็นกันอยู่และจะเป็นต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลราบใดถ้าไม่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติ ก็จะไม่มีทางเลยที่จะหลุดพ้นจากเบ็ดที่เกี่ยวคอของสั์โลกทั้งหลายหลังนี้ได้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากเบ็ดที่เกี่ยวคอ ของท่านได้แล้วส่วนพวกเรานี้ยังถูกแบ็ดนี้เกี่ยวคอยอยู่เพราะเรายังมีความโลภความอยากความหลงมีความต้องการในลาบยศสรเสริญสุขอยู่ยังยึดติดอยู่กับลาบยศสรเสริญสุขอยากยังอยากจะรวยยังอยากจะมีหน้ามีตามีตําแหน่งสู ง, สง อยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญเยิอนยออยากจะหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผทตภะอ่กถ้าเราไม่ตัดความอยากเหล่านี้ออกไปด้วยการปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดจากเบ็ดที่เกี่ยวคอ ของเรานี้ได้เลยจะต้องทุกข์ทรมานไปจนมันตายแล้วก็ไปเปิดใหม่แล้วก็ไปทุกข์ใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพรากจากสิ่งต่างๆใหม่อีกเป็นรอบๆไปไม่มีที่สิ้นสุดวัฏสงสารเป็นอย่างนี้การเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าเรายัง ส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงความอยากอยู่แต่ถ้าเราฝืนต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงความอยา ก, ยากตา่างๆทุกครั้งที่เราโลภเราอยากได้อะไรเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากดูอยากฟังนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับจิตใจ มันเป็นมันจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่ถ้ามันจำเป็นต่อร่างกายเช่นเราต้องหายใจถ้าเราไม่หายใจร่างกายก็ต้องตายไปการหายใจอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ถ้าเราอยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่เห็นเขาขายอยู่ในร้าน เห็นแล้วเกิดความชอบอกชอบใจเกิดความยินดีเราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเสื้อผ้าของเราที่มีอยู่นี้ไม่พอใส่หรืออย่างไรจําเป็นต้องซื้อชุดใหม่นี้มาหรือไม่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็ถือว่าเป็นความเป็นกิเลสเป็นความโลภเป็นตัณหาเป็นความอยากถ้ามันเป็นกิเลสเป็นตัณหา เราก็ต้องต่อต้านเราต้องไม่ทาตามเพราะถ้าเราทาตามก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเพิ่มขึ้นความสุขเราได้นั้นได้เพียงเดียวเดียวเราดีใจตอนที่เราได้ของที่เราอยากได้มาแต่หลังจากนั้นไม่นานใจของเราก็จะรู้สึกอ้างว้างป่าเปลี่ยวรู้สึกขาดขาด ยังขาดอยู่ยังต้องการอยู่พอไปเดินข้างนอกตามร้านพอเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่อีกก็จะถูกใจอีกก็อยากจะได้อีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนเสื้อผ้าที่เก็บไว้ในตู้นี้ไม่พอจะไม่พอตู้ไม่พอใส่ต้องไปหาซื้อตู้มาใหม่มาใส่อีกทั้งทั้ที่ แทบจะไม่ได้ส่เสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้นั่นเลยนี่คือความหลงที่หลอกให้ใจอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขแต่กับไม่เห็นถึงความทุกข์ที่จะตามมาเพราะจะต้องเสียเงินเสียทองเงินทองก็ไม่ได้ล่วงลงมาจากฟ้าเหมือนฝน เงินทองก็เป็นสิ่งที่ต้องหามาด้วยความยากลำบากกว่าจะได้เงินมาสักบาทนี่แถนแสนจะหนื่ยนยากลำบากลำบนแต่วเวลาใช้ไปนี้รู้สึกแสนจะง่ายเพียงพออยากจะใช้เท่านั้นก็ใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดถึงความทุกยากลำบากในการหาเงินหาทอง ไม่คิดถึงเวลาที่จําเป็นต้องใช้เงินทองกับสิ่งที่จําเป็นเช่นอาหารก็ดีหรื อ, อยารักษาโรคก็ดีในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่ไม่สามารถหาเงินหาทองได้แล้วจะทําอย่างไรไม่เคยคิดอย่างนี้กันพอถึงเวลานั้นแล้วก็วุ่นวายต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ถ้าผู้มียิงสินไม่ได้ไม่สามารถหามาด้วยวิธีสุดเจริจได้ก็ต้องไปหามาโดวยวิธีทุจริตไปลักเล็กขโมยน้อยไปชอโกงไปกโ ก, โ ก, โ ก, โกลลหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะได้เงินทองมาใช้อีกก็กลายเป็นบาป ก, กรรมขึ้นมาติดไปกับใจตายไปก็ต้องไปใช้กรรมต่อในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนาบกบ้างเพราะไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหานั่นเองแต่ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพรธเจ้ามาปฏิบัติทำจิตใจให้สงบเวลาจิตใจให้สงบแล้วนี้จิตใจจะมีกำลังต่อสู้กับ ความโลภ ก, กับความอยากได้เพราะสามารถหยุดความโลภความอยากได้นั่นเองเวลาทําจิตใจให้สงบแล้วความโลภ ก, กับความโกรธจะหยุดทํางานทันทีไม่สามารถทํางานได้ถ้าเราฝึกทําสมาธิอยู่เรื่อยเวลาใดที่เราเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเราเพียงกําหนดจิตให้สงบนิ่ง ให้อยู่กับพุโทโธก็ดีให้อยู่กับลมหายใจเท้าออกก็ดีความโลภความอยากก็จะเบาลงไปและหายไปได้ในที่สุด <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่ามันยังไม่หายไปอย่างถาวรอนสิ่งที่จะตัดความโลภความอยากให้หายไปได้อย่างถาวรอนนี้ต้องต้องใช้วิวปัสสนาภาวนาต้องพิจารณา ดับความหลงให้ได้ว่าสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันเป็นความทุกข์มากกว่ามันเป็นเหมือนกับเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดและเราไม่จําเป็นจะต้องมีมันเราก็อยู่ได้เพราะใจนี้มีความสุขไม่ได้ไม่ได้มีความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายที่กิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็น แต่ใจนี้มีความสุขจากการละกิเลสตัดความโลภตัดความอยากต่างๆใจที่มีความสุขจากการทำสมาธิและวิปัสสนานี i เองดังนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะทุกครั้งที่เราอยากเราก็จะเห็นยาพิษทันที สิ่งต่างๆที่เราอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษทั้งนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นยาพิษเราก็จะไม่อยากได้แต่ปัญหาของพวกเราคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษเรายังคิดว่ามันเป็นขนมหวานอยู่ยังคิดว่ามันเป็นความสุขอยู่แต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่มันตามมาทีหลังถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นเอง เพราะความสุขที่เราได้ทางโลกนี้มันเดียเด๋ยวเแล้วก็ปแล้วก็มีความอยากตามมาแล้วพอไม่พออยากแล้วไม่ได้ตามที่เราอยากทีนี้ก็จะทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, าทันทีดูคนที่เขาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจคนที่เขาฆ่าตัวตายนี้เป็นอะไรเป็นผลจากอะไรก็เป็นผลจากความโลภความอยากนั่นเอง เคยเลกเคยอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากทำอะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรก็ได้ดูได้ฟังได้ทำแต่พอถึงเวลาที่ไม่สามารถที่จะทำตามที่อยากได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจนไม่สามารถทนอยู่ได้เช่นคนที่สูญเสียสิ่งที่ตนรักไปสูญเสียสมบัติเข้าของเงินทองไป ก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเพราะเมื่อก่อนนี้อาศัยสมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลที่ตนรักมาคอยบำรุงบำรอให้ความสุขกับตนแต่มันตอนนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วมันหายไปหมดแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นสังขารทั้งหลายไม่ว่าสัวรหรือบุคคลหรือวัตถุย้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง นี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนที่จะจากพวกเราไปเราจึงไม่ควรที่จะยึดความสุขที่ต้องอาศัยสังขารทั้งหลายเป็นเป็นตัวให้ความสุขกับเราเราควรที่จะหาความสุขที่เกิดจากการทำประโยชน์ของตัวเราเองและของผู้อื่นนี้แทนด้วยการทำบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญภาวนาจนจิตใจของเราได้ความสุขเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสั่งสอนให้ผู้อื่นได้ทำบุญทำทานรักษาศีลด้บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาดังที่พระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ทำกันมานี่คือการปฏิบัติตาพระปชิ ม, มโมโวว่าที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในวาระสุดท้ายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอความไม่ประมาทก็หมายถึงว่าเราต้องระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขราออกเพื่อเราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องตายแลนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะมาคอยผัดวันประกรันพรุ่งไม่ได้เพราะไม่มีใครรับประกรันได้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือไม่ดังนั้นวันนี้เราต้องปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเพราะเราจะได้ไม่เสียเวลาอันมีค่านี้ไปนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของพรพปัชิมโอวาทที่ทรงได้กล่าวไว้ให้พวกเราได้นำไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่า